วันนี้พวกเราจะมาบำเพ็ญความเพียรกันมาเจริญวิริยะบารมีคือความภาคเพียรเพราะการภาคเพียรนี้จะทำให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการเช่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความเพียรอยู่ที่ไหนการบรรลุมรรคผลนิพพานการหลุดการบรรลุจากการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการบําเพ็ญความเพียร ถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คือธรรมที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องเจริญกันสร้างกันขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าเรา ไม่มีความเพียรแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้นั่นเองดังนั้นขอให้เราหมั่นเพียรกันหมั่นพยายามกันอย่าอยู่เฉยๆขั้นต้นก็ให้เพียรศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำอะไรให้เพียรอย่างไร ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนเราก็จะไม่รู้จักวิธีทำความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกตั้งนี้มีอะไรบ้างก็ให้เราหมัน่นเจริญกุศลหมัน่นเจริญบุญหมัน่นเจริญธรรมที่จะทำให้เราได้ บรรลุมาผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นเจริญก็คือ เ, อเมตตาทานศีลเนคขมะบุเบขาและปัญญานี่คือ ทำที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทำที่จะทําให้เราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันดังนั้นขอให้เราเหมั่นเจริญเมตตาเจริญทานเจริญศีลเจริญเนคขมะเจริญโอเบขาและเจริญปัญญากันถ้าเรามีทำเหล่านี้แล้ว เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะไปถึงพานิพานได้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปตอนนี้เรายังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังไม่มีธรรมเหล่านี้นั่นเองแต่ถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แล้ว เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะท่านมีความเมตตามีทานมีศีลมีเนคขมะมีอุเบกขาและมีปัญญา เราก็สามารถที่จะมีธรรมเหล่านี้ได้ด้วยการศึกษาวิธีสร้างธรรมเหล่านี้ว่าสร้างอย่างไรจึงทำให้ธรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเช่นข้อที่หนึ่งการเจริญเมตตาจเจริญอย่างไรถึงจะเรียกว่าเจริญเมตตาญาติโยมส่วนใหญ่จะคิดว่าการเจริญเมตตาการแผ่เมตตา ก็คือตอนที่ไหว้พระสวดมนต์หรือตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็ให้สวนสัพเพสัตตาอเวราโหตุไปนี่ยังไม่ได้ความจริงแล้วยังไม่ได้เป็นการแผ่เพราะว่าการแผ่ต้องมีผู้รับการให้ต้องมีผู้รับถ้าให้โดยที่ไม่มีผู้รับ ก็เหมือนกับไม่ได้ให้เช่นเรามีเงินจะเราอยากจะแบ่งเงินนี้ให้ผู้อื่นแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราจะเอาเงินนี้ไปให้ใครไม่มีใครมารับเงินนี้เราจะให้เงินนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราพบกับคนที่เราอยากจะให้แล้วเราก็ให้เงินเขาไปพอเขารับเงินจากเราแล้ว อย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาดังนั้นทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการแผ่เมตตานี้ไม่ใช่เป็นการสวดเวลาที่เราสวดมนต์หรือเวลาที่หลังจากเราเลิกจากการนั่งสมาธิแล้วแล้วเราก็สวดบทแผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตาก็คือการศึกษานี่เองการร่ำเรียนร่ำเรียน ว่าการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรเช่นเราสวดสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพแปลว่าอะไรสัพเพสัตตาแปลว่าอะไรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์นี้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแต่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดเช่นพวกเรานี่ก็เป็นสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดพวกเราอยู่ในกลุ่มของมนุษย์น พวกเดลฉานเขาก็เป็นสัตว์เวียนว่ายตายเกิดพวกเทวดาเขาก็เป็นสัตว์เวียนว่ายตายเกิดพวกพรมพวกพระอริยเจ้าพวกพรมนี้เป็นสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดแต่พระอริยเจ้านี้ท่านเป็นสัตว์ที่จะยุติท่านกำลังเข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเช่นพระโสดาบันก็เหลือเพียงเจ็ดชาติ พระสกิรดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวพระอนาคามีก็ไปเกิดในพรหมโลกพระอรหันต์ก็ไปอยู่ที่นิพพานไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปสัตว์ที่เราจะแผ่ได้ก็สัตว์ที่เราพบปะกันส่วนใหญ่เราพบกับใครเราก็พบกับมนุษย์และเดรัชานเช่ สุนัขแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือสัตว์ที่เป็นพิษเป็นภัยเช่นงูสัตว์เหล่านี้เขาต้องการความเมตตาจากเราเวลาแผ่เมตตาต้องต้องเจอกับเขาแล้วให้ความเมตตากับเขาเช่น เ, เวลาโหนตุแปลว่าไม่จองเวรจองกรรมกันอเช่นสุนัขมากัดเรา เราก็จะไม่ไปฆ่ามันเราก็ให้อภัยมันอย่างนี้เรียกว่าการแผ่เมตตาการด้วยอเวลาโหนตุอเวลาแปลว่าไม่จองเวรไม่ถือโทษโกรธเคืองให้อภัยเพราะการให้อภัยนี้จะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่ทุกข์นั่นเอง การปฏิบัติของเรานี้เราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์กันดังนั้นเวลาเกิดความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเราต้องใช้ความเมตตาระงรับกวามระงรับความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทด้วยการแผ่เมตตาอาเวลาโหนตุ เช่นเวลาที่เรามีปัญหากับใครเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือทำให้เกิดความเสียหายทำร้ายเราเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาเราให้อภัยเขาเพราะความโกรธความเกลียดนี้จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าเราให้อภัยเขาแล้วเราก็จะเย็นจะสงบ เ ป, ปกติอันนี้คือสัพเพสัตตาอเวราโหตุคือการแผ่เมตตาตอนที่เราสวดนั้นเป็นการสอนเป็นการเรียนเป็นการศึกษาวิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรแต่เวลาแผ่จริงๆนี่ต้องแผ่ตอนที่พบปะกันข้อที่สองท่านบอกว่าสัพเพสัตตา อนิคาโหนตุอบายาป ช, ชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันเวลาทำงานทำการแก่งแย่งไม่แก่งแย่งชิงดีกันต่างคนก็ต่างทำไปใครได้ก็ให้เขาได้ไปไม่ไปไปทาร้ายเขาเพื่อที่เราจะได้ได้สิ่งที่เราอยากได้ทาร้ายทำร้ายคู่ต่อสู้อย่างนี้ เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปเขาจะดีเขาจะเจริญก็เรื่องของเขาเราอย่าไปทําร้ายเขาเพื่อทําให้เขาไม่เจริญแล้วเราจะได้เจริญอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาแล้วเราต้องแข่งขันกันอย่างสุภาพแข่งขันกันอย่าง ไม่ทำร้ายกันไม่ทำลายกั น, ไ ม, กนไม่เบียดเบียนกันนี่แล้วก็สุขีอัตนานปาริหารันตุคือความปรารถนาให้เขามีความสุขจากการกระทำของเราเราทำอย่างไรทำแล้วทำให้เขามีความสุขเวลาวันเกิดเราทำอย่างไรเราซื้อขนมเคก้กซื้อของขวัญไปให้เขาะ เขาก็มีความสุขขึ้นมาออันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความเมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่ น, น, นเราไม่ต้องรอวันเกิดเราให้เขาได้ทุกวันถือว่าทุกวันเป็นวันเกิดของเขาก็แล้วกันพบ ป, ป, ปะใครเจอใครถ้าเรามีของแจกก็แจกไปอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา น, นี่คือ แผแล้วจะทําให้เรามีความสุขเนี่ยเป้าหมายของการแผ่เมตตาของการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานถ้าเราทุกข์ด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราก็แผ่เมตตาด้วยการให้อภัย ถ้าเราไม่มีความสุขเรารู้สึกเฉยๆอยากจะมีความสุขเราก็ซื้อข้าวของไปแจกเพื่อนฝูงแจกคนยากคนจนแจกคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแจกใครก็ได้ถ้าเรามีของเหลือกินเหลือใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาสร้างความสุขด้วยการแผ่เมตตาดีกว่าด้วยการให้ความสุขแก่ผู้อื่น พราะเวลาที่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขก็จะกลับมาหาเราเราจะมีความสุขเวลาที่เราเห็นคนเขามีความสุขจากการกระทําของเรานการที่เราแผ่เมตตานี้จะทําให้เรามีประโยชน์ได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสองเราจะ ไม่ได้ตายด้วยอาอาวุธหรอยาพิษเนีเพราะเราจะไม่มีใครเกลียดเรานั่นเองมีแต่คนรักคนชอบเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อเป็นที่รักของเขาแล้วเขาจะมาฆ่าเราด้วยอาวุธทําไมเขาจะมาฆ่าเราด้วยยาพิษทําไมะไม่มีวันที่จะมีใครมาคิดฆ่าเราได้ถ้าเรามีความเมตตาต่อเขาเแล้วเราจะ อยู่อย่างเป็นสุขเติ่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ผ่อนร้ายแล้วก็ถ้าตายไปก็ไปสู่สุขคติไม่ไปสู่ทุกขคติไม่ไปอบายโดยเด็ดขาดผู้ที่มีความเมตตานี้ไม่ไปอบายเพราะอบายไม่ใช่ที่อยู่ของผู้มีความเมตตาที่อยู่ของผู้มีความเมตตาก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆ ผูใดได้แผ่เมตตาแล้วก็จะได้ไปสู่สุขติอันนี้คือการสร้างความสุขดักความทุกข์ด้วยความเพียรเจริญเมตตากันมันมีความเมตตากันเวลาสวดสวดได้เวลานั่งสมาธิเราอยากจะสวดสวดได้แต่อย่าไปคิดว่ากำลังแผ่เพราะหนึ่งไม่มีอะไรแผ่ให้เขา สองไม่มีใครมารับมันก็แผ่แบบหลอกลวงตัวเองว่ากำลังแผ่เมตตาเพราะไม่มีใครเขามารับความสุขที่เราจะให้เขาแล้วเราก็ไม่มีความสุขที่จะให้ใครในตอนนั้นเราจะแผ่ได้ก็ต่อเมื่อเราไปพบปะกันอพอเห็นหน้าเห็นตากันก็ยิ้มให้กันเนเพียงแต่ยิ้มนี่ก็ทำให้เขามีความสุขแล้ว ไม่เชื่อลองดูระหว่างยิ้มกับทำหน้าบึ้งเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเวลาเราเจอคนที่เขายิ้มกับเราแล้วเจอคนที่หน้าบึ้งกับเรานี่เราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดอย่างนี้ให้มองมุมกลับถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราไม่ต้องการความทุกเราก็ดูผลที่เราได้รับจากคนอื่นเวลาเขาหน้าเบึ้งใส่เรานี่เราได้รับความสุขไม่ได้รับความทุกข์ เวลาเขายิ้มให้เราเราได้รับความสุขหรือได้รับความทุกข์พอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เราก็ทำไปสิเราอยากให้คนอื่นเขาทุกข์ก็น่าบึ้งใส่เขาถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขอยากให้เขาเป็นมิตรกับเราเราก็ยิ้มให้เขานี่เป็นหลักสากลเป็นหลักตายตัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกับ ชนชาติใดแม้แต่สัตว์เดราฉานมันก็สัมผัสได้กับความเมตตาเจอหมาลองลูกหัวมันดูมันก็เด็กหางเด็กเด็กเกเด็กเนียถ้าเจอหมาแล้วเอาไม้ตีมันดูมันก็จะกัดด้วยนี่คือเรื่องของความเมตตาเวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกัน ควต้องเรียกว่าให้ความเมตตาดีกว่าอย่าเรียกว่าแผ่เมตตาให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเดราชานหรือจะเป็นกายทิพย์ก็ตามถ้าเราสัมผัสกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับกายทิพย์ได้เราก็ให้ความเมตตากับเขาได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ให้ความเมตตาต่อกายทิพย์คือพวกเทวดาทั้งหลาย ด้วยการให้ธรรมะการให้ธรรมะก็เป็นการทาทานอย่างหนึ่งธรรมทานการให้เข้าของเงินทองก็เป็นวัตถุทานก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเทวดาหลังจากได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็เกิดปิติเกิดความสุขแล้วยิ่งถ้าได้บรรลุธรรมก็ยิ่งเกิดความสุขขึ้นมา อย่างพุทธมารดาก็เป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดสอนธรรมะให้แก่พุทธมารดาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หลุดจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายแล้วก็ไม่ต้องเหลือพบชาติไม่เกินเจดชาติก็จะไปถึงพระนิพพานอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเหมือนกัน ถ้าเราสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้เช่นเวลาเร า, เร า, เรานั่งสมาธิแล้วมีกายทิพย์มาหาบางทีเขามาปรับทุกข์เนี่ยมีแม่ชีท่านหนึ่งท่า น, ท, านท่านนั่งสมาธิแล้วท่านมักจะมีผู้ที่ตายไปแล้วนี่มาปรับทุกข์กับท่านท่านเคยมีควายถูกเขาฆ่าตายแล้วเขาก็มาปรับทุกข์กับแม่ชีว่าเนี่ยเขาถูกเขา ถูกเจ้าของฆ่าตายทุกเหลือเกินอแม่ชีก็สอนเขาบอกก็ที่เขาฆ่าเราก็เพราะเราเร า, เราดื้อไม่ใช่หรือเราขี้เกียจไม่ใช่หรือเขาใช้งานเราก็ไม่ยอมทําเขาก็เลยไม่รู้จะเก็บเราไว้เลี้ยงเราไว้ทําไมเขาก็ฆ่าเราเอาเนื้อเรามากินดีกว่าอต่อไปก็อย่าดื้อนะอพยายามขยนันอย่าขี้เกียจ แล้วจะเป็นที่รักของคนที่เขาเลี้ยงเราก็สอนให้ธรรมะเหมือนกันแผ่เมตตาด้วยการสอนเขาพอเขาได้ยินได้ฟังทำเขาเข้าใจถึงโทษที่เขาทำเขาก็ต่อไปเขาก็จะเลิกทำแล้วเขาก็ไม่เสียใจเขายอมเลิเขายอ ม, มรับผิดว่าเขาทำอย่างนั้นจริงจึงทำให้เจ้าของต้องมาฆ่าเขา แต่เขาขออย่างหนึ่งเขาขอว่าถ้าพรุ่งนี้เจ้าของเขาเอาเนื้อของเขาเนื้อของควายนี่มาถวายให้กับแม่ชีก็ขอให้แม่ชีช่วยรับอนุโมทนาให้กับเขาด้วยแผ่เมตตาให้กับเขาด้วยแม่ชีก็รับปะ่ะแล้วตอนเช้าบ้านที่ค้าข่าควายนั้นก็แบ่งเนื้อควายมาให้กับที่สำนักแม่ชีอยู่ทำบุญอันนี้ก็ สำหรับผู้ที่มีพลังจิตผู้ที่นั่งสมาธิแล้วสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็สามารถแผ่เมตตาได้ถ้าอย่างนั้นต้องแผ่ตอนที่อยู่ในสมาธิตอนที่มีกายทิพย์มาหาผีบ้างเทวดาบ้างกายทิพย์นี่ก็มีหลายลักษณะหลายระดับพวกเบรดก็มีพวกผีก็มีพวกเทวดาก็มี โลกนี้เขาไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์เหมือนเดรัจฉานแต่เขายังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับพวกมนุษย์พวกเดรัจฉานอยู่แต่เขาไม่สามารถติดตอกับพวกมนุษย์หรือเดรัจฉานได้ถ้าพวกมนุษย์เดรัจฉานไม่มีพลังจิตพอเขาจะติดต่อได้กับพวกที่มีพลังจิตเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือผู้ที่นั่งสมาธิแล้วมี พลังจิตสามารถติดต่อถ้าเราสามารถติดต่อกับกายทิศได้เวลาเราเจอเขาเราก็แผ่เมตตาให้กับเขาให้ศีลให้พรเข้าไปให้ธรรมะเขาไปถ้าเขามีความทุกข์ก็ปรับช่วยช่วยปรับบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาไปอันนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเป็นการแผ่เมตตาให้ความเมตตา อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำเป็นหลักเป็นส่วนหนึ่งกับเหมือนกับการหายใจเวลาเจอใครนี่ต้องแผ่เมตตาอย่าแผ่ความเกลียดอย่าแผ่ความชังอย่าแผ่ความโกรธให้แผ่ความเมตตาพบปะใครยิ้มแย้มแจ่ยิ้มแ ย, ย้ ม, ยมกันยิ้มกันทักทายกันถามสารทุกข์สุขดือดต่อกัน ถ้ามีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปมีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปถ้าเกิดการผิดพลาดเกิดการกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันขอโทษกันแล้วก็ต่างฝ่ายก็จะอยู่อย่างมีความสุขนี่เป็นวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ด้วยการเจริญด้วยการเพียรพยายามแผ่เมตตาอยู่เรื่อย ข้อที่สองก็คือให้เราแบ่งปันทานก็คือการแบ่งปันถ้าเรามีข้าวของเงินทองมากกว่าที่เราจะสามารถใช้ได้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไปส่วนนี้ก็เอามาทำทานดีกว่าเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเอาไปกินเอาไปดื่มกันเอาไปซื้อของตามความอยากต่างๆกัน เพราะว่ามันจะไม่ได้แผ่เมตตานั่นเองจะไม่ได้สร้างความสุขแต่ถ้าเราเอาเข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี้มาทําทานมาให้คนนั้นให้คนนี้ให้พระก็ได้ให้พ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นเหมือนพระอรหันต์ของของลูกๆทําบุญกับพ่อแม่เน้นพะพุทธเจ้าก็บอกว่าเท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหรันต์ ได้บุญมากได้ความสุขมากนั่นเองทําบุญทําทานทํากับพ่อกับแม่ทํากับครูบาอาจารย์ทํากับพี่กับน้องทํากับญาติสนิทมิตรสหายทํากับครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยเราต้องทําบุญกับคนใกล้ตัวเราก่อนทําให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีความสุขก่อนไม่ใช่อยู่ด้วยกันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเกลียดกัน แล้วก็ออกไปทําบุญไปไปที่ไกลๆเพื่อที่จะไปทําบุญไปก็ไม่ได้บุญมากเพราะว่ากลับมาก็ไม่ได้มาทําบุญทําบุญที่ใกล้ตัวเราก่อนดีกว่าให้เรามีความสุขกับทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันทําบุญด้วยความเมตตาด้วยการแบ่งปันด้วยการทำทานแล้วก็รักษาศีลกันอยู่ด้วยกันก็ ให้อย่าทำร้ายกันอย่ากโกหกหลอกลวงกันให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่ขโมยทรัพย์ของกันและกันไม่แย่งสมบัติกันเป็นพี่เป็นน้องเวลาพ่อแม่ตายนี้จะมาฆ่ากันตายเพราะสมบัติเพราะอยากจะได้มากๆ ม, มาโกรธมาเกลียดกันมาทะเลาะกันมาขึ้นโรงขึ้นศาลกัน อันนี้เรียกว่าไม่มีความเมตตาไม่มีการแบ่งปันไม่มีการทําทานก็แบ่งกันไปเท่าๆกันก็นกนหมดเรื่องมีเท่าไหร่ก็หารกันไป ม, มีพี่น้องกี่คนก็หารเ็าไปเงินทองมีเท่าไหร่ก็หารกันแบ่งกันไปเท่านั้นก็จบหรือไม่เช่นนั้นก็เคารพคาสั่งของพ่อแม่ที่เขียนไว้ในพินัยกรรมว่าให้คนนั้นเท่านี้ให้คนนั้นเท่านี้ ก็ต้องเคารพกันเคารพคําคําสั่งคําสอนของพ่อแม่พ่อแม่ก็เงินทองเป็นของพ่อแม่ไม่ใช่เป็นของเราเขาจะให้ใครก็ได้เขาไม่ให้เราก็ได้ไม่บาปไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่อย่างใดถ้าเขาจะยกให้วัดไปหมดเลยก็ได้เขาไม่ให้ลูกเลยก็ได้เพราะเขาเห็นว่าถ้าให้ลูกไปแล้วลูกมันเอาไปผานไปเผาหมดเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นโทษเช่นเาไป เล่นการพานันเอาไปเดื่มสุรายาเมาให้มันแล้วแทนที่มันจะดีมันกลับเลวลงให้มันทําไมถ้าถ้าพ่อแม่มีลูกแบบนี้บางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่ให้อะไรเลยก็ได้หรือให้นิดหน่อยพอให้มันพออยู่ได้แต่ถ้าให้มากๆมันก็เอาไปเผาไปผาญหมดไม่ได้ไปทําประโยชน์อะไรอันนี้ไม่ให้ก็ไม่เป็นเรื่องผิดแต่อย่างใด ว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์ของพ่อแม่นี้เป็นของพ่อแม่ไม่ใช่เป็นของลูกๆพ่อแม่เป็นคนหามาลูกไม่มีไม่ได้หาแล้วจะไปเป็นเจ้าของเงินทองของพ่อแม่ได้อย่างไรแต่พ่อแม่รักลูกด้วยความรักลูกเวลาจะตายก็ห่วงลูกก็เลยทิ้งเงินทองเหล่านี้ให้ลูกไว้ได้อยู่กินอย่างสบายกันอแต่ก็ไม่ควรที่จะมามามีเรื่องมีราวกัน พ่อแม่ไม่ต้องการให้พี่น้องทะเลาะกันไม่ต้องการให้ลูกๆทะเลาะกันต้องการให้ลูกรักกันสามัคคีกันอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าพอพ่อแม่ตายก็มาแย่งสมบัติกันมาขึ้นลงขึ้นศาลกันมาทะเลาะกันอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเป็นเรื่องของการไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีความเมตตา แล้วก็จะไม่มีความสุขนแต่ถ้าเคารพในคําสั่งของพ่อแม่อันสั่งไว้ว่าอย่างไรก็ทําตามคําสั่งทุกคนก็จะมีความสุขกันไม่มีความทุกข์กันดังั้นต้องพยายามรักษาศีลกันต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าช่อโกงกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่าทําลายกันทําร้ายกันด้วยการฆ่าก็ดีด้วยการลักทรัพย์ก็ดี ด้วยการประพฤติผิดประเวณีก็ดีด้วยการโกหกหลอกลวงก็ดีด้วยการดื่มสุรายาเมาก็ดีการกระทําเหล่านี้อย่าทําทําแล้วจะทําให้เกิดทุกข์ไม่ได้ทำแล้วให้ดับความทุกข์เราก็ต้องเพียรพยายามรักษาศีลกันรักษาศีลห้ากันนอกจากนั้นเราก็ต้องมาเพียรสร้างในขมมะกันในขมมะนี้แปลว่าอะไร ในคำว่มมาก็แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางกรรมคุณทั้งห้าคือทางรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเพราะการความสุขที่ได้จากกา ร, รมคคณห้านี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์เจือปผลอยู่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาไปตะคุบเหยื่อแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากถ้าไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะถูก ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดแล้วดับมาแล้วไปนั่นเองอเวลาได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็มีความสุขกันเวลาที่ไม่ได้เสพก็มีความทุกข์กันเช่นคนที่ดื่มกาแฟนี่ลองดูสิเวลามีกาแฟเดื่มก็สุขกันเวลาไม่มีกาแฟเดื่มขึ้นมาก็ทุกข์กัน ให้มาหัดเลิกดื่มกาแฟากันนี่คือเนคขมมะบารมีการเจริญเนคขมมะคือการยุติหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยไม่ว่าจะเป็นรูปเช่นรูปของละครของของภาพยนตร์ของอหนังสือแฟช่แฟชั่นอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการเสพ รูปเสียงเกิ่ น, นัดกันหรือเสียงฟังเสียงเพลงต่างๆให้เรามาหยุดกันนะอย่าหาความสุขแบบนี้กันเพราะเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาเสพแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เวลาได้ดื่มกาแฟแล้วมันจะติดมันจะอยากจะดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาที่ไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราเลิกดื่มได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับการดื่มกาแฟเวลาไม่มีกาแฟดื่มเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่เชื่อถามคนที่เขาไม่ดื่มกาแฟดูดูว่าเขาเดือดร้อนไหมเวลาไม่มีกาแฟดื่มเขารู้สึกเฉยเฉยไม่มีเดื่มก็เท่านั้นเพราะเขาไม่เตะติดเขาไม่ได้มีอะไรกับความอยากจะดื่มกาแฟพอไม่มีกาแฟดื่มมันก็ไม่ทุกข์ เราต้องมาตัดความทุกข์ที่เกิดจากการเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของเครื่องดื่มนเครื่องดื่มในรูปแบบของอาหารของขนมนมเนยในรูปแบบของภาพต่างๆภา พ, พยนต ร, ร์ละครในรูปของเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาไม่มีแล้วจะทําให้เราทุกข์กัน เราจะต้องเจอกับวันหนึ่งที่เราจะต้องไม่มีเศษหรือเศษไม่ได้ถึงแม้จะมีเศษแต่บางทีร่างกายมันก็เศษไม่ได้ร่างกายไม่สบายอย่างงี้ก็เศษไม่ได้หรือร่างกายเป็นโรคบางชนิดหมอห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยถ้าดื่มแล้วยิ่งจะทำให้ตายเร็วขึ้นก็ต้องหยุดดื่มพอไม่ได้ดื่มก็ทุกข์กัน แต่ถ้าเรามาเลิกดื่มกันเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับการที่เราไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มต่างๆดื่มน้ำเปล่าๆนี่ไม่มีพิษไม่มีภัยมีประโยชน์กับร่างกายถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มแต่น้ำเปล่าๆนี่เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์น้าที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่มีโทษไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายแต่ถ้าดื่ม น้ำชนิดอื่นน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี่มักจ ะ, ะมีโทษตามมาเพราะดื่มแล้วมันจะติดแล้วมันจะเดื่มมากเกินไปอพอดื่มมากเกินไปร่างกายก็รับไม่ไหวร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นคนดื่มสุรายาเมาดื่มมากๆ ก, ก็จะทำให้ตับตายไสพุงพังได้ตายก่อนเวลาอันควร คนเดิมสาลาติดชลานี่บางทีอายุสี่สิบห้าสิบก็ตายแล้ว mm hmm. พราพิษของสุรา mm hmm. นี่คือ mm hmm. เรื่องของการมาเจริญเนคขมะเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากการไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าเนคขมะอย่างที่ญาติโยมมาอยู่วัดแล้วมาบวชเนี่ความจริงควรจะเรียกว่าบวชเนคขมะไม่ใช่บวชชีพรามณนะ์ชีพราหมณ์นี้เป็น เป็นของพรามขเขาเราไม่ได้เป็นพราหมณ์เราเป็นพุทธที่เรามาบวชนี่เรามาบวชเนข่ขมมะมาถือศีลแปดเนข่ขมมะก็คือการถือศีลแปดละเว้นการหาความโศกทางตาหูจมกูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสมเราก็จะไม่ไม่เสพกรามกับใครไม่ร่วมหลับนอนกับใครเปลี่ยนจากศีลห้าศีลห้าจะยังอนุญาตให้เสพกรามได้แต่ต้องเสพกับ คู่ครองของตนแต่ทอถือศีลแปดนี้ก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกไม่ให้กินอาหารมากเกินไปให้กินอาหารแบบกินยาไม่ให้กินอาหารตามความอยากถ้ากินแบบกินยาก็มีเวลากินเช่นกินวันละครั้งหรื อ, อครั้งก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องกิน ร่างกายได้รับอาหารพอเพียงสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ตายอย่างแน่นอนจนถึงวันนุ่งขึ้นอันนี้ก็เพื่อที่จะตัดความติดอยู่กับการกินอาหารอยากกินอาหารอยู่เรื่อยๆบางคนกินอยู่ทั้งวันกินอาหารหลักแล้วมื้อหลักเรายังมีอาหารเสริมอีกมีของเคี้ยวขบเคี้ยวอยู่ระหว่างระหว่างมือ้อ เพราะเวลาไม่ขบไม่เคี้ยวเรารู้สึกว่ามันไม่มีลมหายใจขาดลมหายใจมันจะตายให้ได้ต้องมีขนมขบเคี้ยวมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆอันนี้เป็นวิธีหาความสุขที่ไม่ไม่ไม่ดีเพราะมันมีโทษตามมามันจะเป็นความทุกเวลาที่เราไม่สามารถที่จะดื่มหรือจะกินได้ตามความต้องการของเราแล้วเรามาเลิกการ กินอาหารการดื่มเครื่องดื่มต่างๆโดยไม่มีเวล า, มวลาไม่มีขอบไม่มีเขตให้มาถือศีลข้อหกจะกินอาหารไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่กินอาหารอีกต่อไปเพราะร่างกายได้รับอาหารพอเพียงแล้วแล้วเราก็มาถือศีลข้อเจ็ไม่ไปเที่ยวกันไม่ไปหาความสุขทางตา ทางหูทางจมูกด้กายกันเช่นตอนเย็นก็ไม่ไ ป, ไไปงานเลี้ยงไม่ไปกินอาหารเย็นไม่ไปดูภาพยนตร์ไม่ไปร้องรำทำเพลงไม่ไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปดูมหรสยไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าพรวิจิตรพิสดารไม่เสริมสวยหน้าตาเผ้าผมด้วยเครื่องสมางต่างๆ ไม่ใช้น้ํามันใช้น้ําหอมอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการเสพกามเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะถ้าเสบแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสบก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่เสบเวลาไม่ได้เสบก็จะไม่ทุกข์นี่ก็คือวิธีการดับทุกข์ด้วยการเจริญเนคขมะเจริญธรรมสร้างเนคขมะขึ้นมาภายในใจตอนต้นก็มาลองทําอาทิตย์ละครั้งก่อน วันพระหรือวันที่เราหยุดทำงานวันที่เราสะดวกวันไหนก็ได้มาถือศีลแปดกันแล้วต่อไปเราก็จะสามารถถือถือศีลแปดได้ตลอดตอนต้นก็ทดลองวันหนึ่งก่อนแล้วถ้าดีก็เพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันเพิ่มไปตามแล้วตามลำดับนะเพราะการกระทำเหล่านี้มันดีมันมีมันทำให้เรามีความสุขใจ มันทาให้เรามีความทุกข์น้อยลงไปเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วก็มาเจริญมาสร้างเพียรสร้างอุบเบกขากันถ้าเราถือศีล8ดได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญอุบเบกขา อุเบกขาเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการนั่งสมาธินั่นเองการทําใจให้สงบถ้าใจสงบใจเป็นสมาธิใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี่คืออย่างไรก็คือความสุขของใจใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเรียกว่าอุเบกขาใจจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินถ้าไม่มีอุเบกขาเวลาใครเขาตำหนิเราเวลาใครเขาว่าเราก็เสียใจเวลาใครก็ชมเราก็ดีใจเวลาเขาไม่ชมเราก็เสียใจแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใครจะชมใครจะด่าก็เฉยไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่เรื่องของเราปากของเขาเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาไป ใครจะพูดอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับนกกับกามันจะร้องเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันจะส่งเสียงมันก็มันก็ส่งเสียงของมันไปใจของเราไม่ไปวุ่นวายไปกับมันเสยอย่างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ใจเรามักจะไปวุ่นวายกับเสียงต่างๆกับสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาทำกันพอใครเขาทำลายหน่อยก็โกรธบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างกลัวบ้าง ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่กลัวใจจะไม่รักจะไม่ชังไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆใจจะเฉยได้กับเหตุการณ์ต่างๆนี่คืออุเบกขาต้องเกิดจากการจเจริญสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งต้องหยุดใจหยุดความคิดให้ใจสงบเป็นสมาธิ พอใจเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธินีใจไม่มีอุเบกขาใจจะรักจะชังจะกลัวจะหลงได้ยินอะไรก็จะรักขึ้นมาหรือแม่งก็จะชังขึ้นมาแม้นก็จะกลัวขึ้นมาได้ยินข่าวอะไรไม่ดีเนะ่ะก็กลัวกันนะเขาบอกน้ำท่วมจะน้าจะท่วมกรุงเทพเนี่ยก็กลัวกันนะไม่รู้มันจะท่วมหรือเปล่าเพียงแต่คนก็พูดเท่า น, นั้นก็กลัวกันนะ บางคนเดือดร้อนต้องมาถามพระว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าเหมือนกับพระเป็นนักพยากรณ์อากาศเนี่ยเราก็บอกว่ามันจะท่วมมันก็ต้องท่วมอ่ะจะทํายังไงได้ไปห้ามมันได้ที่ไหนมันท่วมก็ปล่อยมันท่วมไปเรยเราก็หาเรืออยู่นี่ม <Yeah. S 2> ันเดือดร้อนมันทำไม <Yeah. S 2> สมัยก่อนบ้านเขาก็มีน้ําท่วมเขาก็อยู่กันได้ <Yeah. S 2> เขาก็ยกบ้านให้สูงสูงสร้างบ้านให้มันสูงสู ง, สงให้มันเหนือระดับน้ํา น้ำมันน้ำมันเข้ามามันก็ไม่ท่วมบ้านเราด้ยมมนต้องไปกลัวอะไรคนที่ไม่มีอุเบกขานี่จะกลัวไปหมดมีข่าวอะไรมาหน่อยก็วิ่ตกกันไปหมดนี่เพราะว่าไม่มีอุเบกขาถ้าอยากจะมีอุเบกขาแล้วใจจะเฉยใจจะเย็นใจจะสบายใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องเจริญสติพุทโธพุทโธ นั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะมาอุเบกขาพยายามนั่งบ่อยๆพอนั่งได้แล้วต้องนั่งบ่อยๆนั่งเยอะๆแล้วอุเบกขาจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปใจเราก็จะมีกำลังที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยอุเบกขาใจไม่ได้เป็นร่างกายใจจะไปวุ่นวายกับร่างกายทาไม มนวายก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะเฉยได้แล้วข้อสุดท้ายทมที่เราควรจะเพียรเจริญกันก็คือปัญญาปัญญาก็คือความรู้ตามความเป็นจริงรือว่าสิ่งรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลง รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กันนี้มันไม่ได้เป็นของเราหรอกเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเรานี่คือปัญญาให้รู้ความจรงิงรู้ว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ยืมเข้ามาวันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียไปต้องพัดพรากจากกันไปถ้าเรารู้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไปคิดว่าเป็นของเรา เราก็จะพร้อมที่จะจากมันเมื่อถึงเวลาจากกันก็จากกันอย่างมีความสุขจากกันอย่างไม่มีความทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเหมือนกับเราไปยืมข อ, ของคนอื่นเขามาใช้พอเราใช้เสร็จเราก็คืนเขาไปไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราพอไปยืมเข้ามาแล้วก็มามาถือว่าเป็นของเราเราก็จะไม่อยากคืนเขา พอต้องคืนเราก็ไม่คืนพอถูกบังคับให้คืนเราก็จะทุกข์เนี่ยของต่างๆนี่เหมือนกับของที่เรายืมมาร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนของที่เรายืมมาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆอสามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่เป็นเหมือนของที่เรายืมมาทั้งนั้นเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องคืนเจ้าของไป เดี๋ยวปู่ย่าตายายก็ต้องไปก่อนคืนปู่ย่าตายายไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาคืนพ่อคืนแม่ต่อไปก็มาคืนพี่ต่อมาก็มาคืนตัวเราลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่ลืมความจริงอันนี้แล้วเราจะเตรียมตัวตลอดเวลาแล้วเราจะใช้อุเบกขานี้รับกับเหตุการณ์ได้ ถ้าเรามีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็ยังจะทำใจไม่ได้เวลาเราต้องเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเรามีอุเบกขาและเรามีปัญญาอุเบกขาจะทำให้เราเฉยปัญญาจะสอนเราว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของทุกอย่างที่เราม่อยู่นี้เราจะต้องเสียมันไปแล้วเรามาเตรียมตัวเสียกันเตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อน เช่นไปอยู่คนเดียวบ้างอย่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแยกกันอยู่แยกอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่วัดเหมือนกับไปตายกันบปหัดตายกันหรือไปอยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีแม้แต่ร่างกายเพราะไปอยู่วัดนี่ร่างกายก็ไม่ต้องใช้ไปอยู่วัดก็ใช้ใจใช้ธรรมะทาใจให้สงบแล้วใจก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไปอยู่วัดไป ไปอยู่แบบนักบวชได้เป็นพักๆต่อไปเราก็จะสามารถที่จะทาใจได้ให้เป็นอุเบกขาได้ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้มีปัญญาคอยเตือนใจอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เรื่อยๆมีการเจริญบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อม ถ้ามันไม่ได้บังคับมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมรับความจริงแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปเพราะเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราครอบครองอยู่เพราะเรารู้แล้วด้วยปัญญาว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของเราเพียงชั่วคราวในวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป แต่เราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจกันเพราะเรามีธรรมต่างๆมีปัญญามีอุเบกขามีเน่ยขมะมีศีลมีทานมีเมตตามาคุ้มครองมารักษาใจของพวกเราไม่ให้มีความทุกข์กับเหตุการ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่คือความเพียรที่พวกเราควรที่จะมาเพียรกันมาเจริญกันเพียรสร้างความเมตตาเพียรสร้างทานเพียรสร้างศีล เพียนสร้างเนคข ม, มะเพียนสร้างอุเบกขาเพียนสร้างปัญญากันแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ทาราโสยะธาสัพีติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโวินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนนีดิลสะนิจังอุทธาปจายโนจตารุธรรมวะทันติอายุวันสุขัง าลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญสอบถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบไว้เพียงเท่านั้นดังนั้นใครต้องการก็เชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ ถามได้เลยเปิดไม่ก่อนพูดกายๆนมัศ ก, การค่ะหลวงพ่อหนูมีปัญหาเรื่องการที่นั่งสมาธิเมื่อไม่กี่วันนี้เจ้าค่ะคือตัวขณะที่หนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูก็พุทโธสมองหนูสั่งพุทโธพุทโธแต่ในเวลาเดียวกันนะ่ะใจหนูก็เป็นนึกถึงอดีต ท, ที่ตอนนี้หนูกําลังเกิดวิบากกรรมแล้วก็นึกถึงอนาคตที่ยังมาที่ยังมองไม่เห็นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่สมองหนูก็พุโทโธพุโทโธแข่งกับมันแต่หนูก็ไปไม่รอดแล้วหนูก็พยายามอ่ะไม่พุโทโธหนูพยายามด้วยว่าคนเรามันก็เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่มันก็ไม่รอดนะคะหลวงพ่อเจ้าขาเพราะกาลังของพุโทโธไม่น้อยไง๋ยวต้องสร้างกําลังพุโทโธก่อนก่อนจะมานั่งเนี่ย ถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆเตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลยออาบน้ําแต่งตัวกินข้าวก็พุโทโธไปอถ้าไม่ทําอย่างนี้เวลามานั่งมันก็เสียงความคิดอย่างเอื่นมันก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะสู้มันไม่ไหวถ้าเรามีพุโทโธต่อไปมันเข้ามาเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเดี๋ยวต่อไปพุโทโธเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเสียงความคิดต่างๆมันก็จะหายไปะ ยังต้องหัดพุทโธทั mm ้ง hmm. ว no, ันเลยลองทํำดูขายของกับพุทโธไปจ้าวค่ะอาบน้ําก็พุทโธไปกินข้าวกับพุทโธไปเวลาไหนไม่ต้องคิดกับพุทโธไปส่วนมนต์ไปบ้างก็ได้สลับกันฟังทำไปบ้างก็ได้ออย่าให้ใจคิดให้มันมีอะไรทํา ถ้าถ้าหนูพุพทโธไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่หนูกําลังจะเกิดไม่ว่าอนาคตหรืออดีตมันก็จะมาทับซ้อนอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ไหมเจ้าค่ะมันมีกําลังมากกว่าเหมือนกระแสน้ําเก่ามันมันไหลเชี่ยวเจ้าตอนนี้เรากําลังสร้างเขื่อนหยุดมันฮะสร้างพุทโธนี่เพื่อนเรายัางสร้างไม่เสร็จมันก็ไหลทะลักทะลุเขื่อนไปอยู่เลยเจ้าค่ะพยาามสร้างเขื่อนขึ้นมาพุทโธพุทโธนี่เป็นเขื่อนต่อไปมันก็จะทำให้น้ำไหลหยุดไหลได้ กลายเป็นสระน้ำไปแทนเจ้าค่ะสะาธุค่ะมีใครอยากจะถามก็ถามได้นะอ่ามีไหมยกมือขึ้นนะถ้าใครอยากจะถามหรือมาม า, มาที่ไมโครโฟนถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะให้ทางบ้านที่ส่งเข้ามาส่งข้อความเข้ามาถามตอนนี้เรามีการถ่ายทอดสดทุกวันผนะ่านทางเฟ e b o o กกับทาง u ู u ูบนี่ แล้วผู้ที่ติดตามก็สามารถที่จะส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาได้วันนี้ทาง Facebook มีเท่าไหร่ Facebook มีตอนช่วงพระอาจารย์แสดงธรรมมีอยู่320ครับอตอนนี้อยู่ที่220ครับส่วนทาง YouTube ช่วงที่พระอาจารย์แสดงธรรมมีอยู่38ตอนนี้มีอยู่35ครับมีคำถา ม, หมัหยครับเดี๋ยวยกเอ า, เอาส่งมาไปกัน กระพระอาจารย์ค่ะอยากจะสอบถามเรื่องการแผ่แผ่เมตตาค่ะที่พระอาจารย์บอกในช่วงแรกค่ะว่าเราต้องแผ่แผ่ให้ได้เฉพาะที่มีอยู่เนี่ยค่ะงิ่งก็แสดงว่าทุกวันที่เราแผ่เมตตาให้แก่เหล่าเทพเทวดาสัตว์หรือว่าเปลกทั้งหลายเนี่ยคื อ, เ, อเราไม่เห็นเขาองี้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องแผ่หรือว่าต้องยังไงอะค่ะหนึ่งเราเราเออะไรแผ่แผ่ล่แผ่แต่คำพูดเนี่ย คำพูด <จะ S 2> ไม่ใช่<ำ>เป็นความเมตตาว่าจะไม่เป็นความปาฏิาริย์เท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทําให้เขามีความสุขจากการแผ่อย่างถ้าเป็นพวกกายทิพเทวดาเขาก็ต้องมาติดต่อกับเราอย่างที่เล่าให้ฟังเขามีความทุกข์เดือดร้อนเขามาขอคําปรึกษาเราให้คําปรึกษาเขาไปอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาทําให้เขาเกิดความสุข ข, ขึ้นมา อ, อแล้วถ้าเราทําสมาธิแล้วเราแผ่เมตตาเนี้ แผ่ ไ, ไม่ได้ไม่มีคนรับนะ่ะไม่มีตัวผู้มารับแล้วที่เราแผ่ก็ไม่มีเราก็ไม่ได้แผ่อะไรให้เขาเขา่าเมตตาไม่ใช่เป็นตัวตัวตัวที่เป็นตัวตัวเมตตาตัวเมตตาจริงๆคือการกระทาของเราที่เกิดประโยชน์กับผู้ที่เขารับจากเราไปแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเกิดประโยชน์มันก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นความจริง ความเมตตาความจริงกับความเม <c oughs> ค, ความคิดมันต่างกันมันคิดจะให้เงินเราเนะี่ยอขอให้คนมีเงินร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยเราก็พูดได้แล้วคุณมีหรือเปล่ า, าจากการพูดของเราถ้าอยากใช้ก็มีร้อยล้านพันล้านก็โอนเงี้บยบัญช <aus> ีใส่เข้าไปบัญชีเขาสิเราดูสิว่าใจเขาจะสุขหรือจะทุกข์ใจเขาจะดีใจหรือไม่ดีใจมันต้องมีอะไรให้กันเสีิมือนถึงจะเกิดผลขึ้นมา ไม่ใช่แต่ความความคิดความคิดไม่ใช่เป็นความเมตตาต้องเป็นการกระทาต้องให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผู้รับเช่นพระุทธเจ้าให้ธรรมะกับพุท ธ, ธรรมารดาอย่างเงี้ยเนี่ยแผ่เมตตาเพราะธรรมะนี่มีคุณค่าราคามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านได้เป็นโสดาบันนีป่ปิดปิดประตาย ปิดประตูอบายได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นอบายในอบายต่อไปแล้วเหลือภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติก็ไปถึงพระนิพพานนี่แหละแผ่ต้องมีอะไรให้เ้าะสิไม่ใช่แผ่ด้วยปากด้วยความคิดเฉยเฉยด้วยการปรารถนาดีขอให้คุณไปพระนิพพานนะขอให้คุณเป็นโสดาบันเนี่ยก็ขอได้แล้วได้เป็นหรือเปล่าเหมือนเหมือนพระที่ให้โพนพรโยมเนี่ยมันก็เป็นการหลอกโยมไปอย่างนั้นเนี่ยขอให้สุขให้เจริญนะ ไม่ให้หรือเปล่าไม่ได้ให้อะไรเพิ่งจะให้แต่ลมปากไปนะัแต่ญาติโยมก็ชอบของปร้อมกันให้มากินมาดูกี่้อยวันกี่พันวันแล้วแล่ารวยกันหรเป่ามัน <c oughs> <c oughs> ก็ยังเชื่อยังมาขอพรอยู่นั่นเขาใจอย่าง <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ความสุขใจเดียวตอนที่ได้พรตอนที่พระให้พรอายุวันโนสุขขังพลงังโอ้ชื่นใจ <c oughs> อ่มามัคือขอถามต่อเรื่องเรื่องเมตตาค่ะพอดีโยม<ะ>ทําบริษัทยานะคะแล้วต้องดูแลเกี่ยวกับพวกพวกเซลล์อย่างเงี้ยที่ไม่รู้จะกล่าวหาเขาถูกปะคือหาความจริงใจแทบไม่มีอะคะ่ะแล้วเวลาโยมมีปัญหาเรื่องเนี้ยโยมจะไม่คิดว่าโยมคนรังแผลเมตตาให้คนนะคะเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะจะเรียว ก, ก็จะคิดว่าเป็นแผลเมตตาให้กับหมาน้อยหรือมางคนเนี่ย ก็ให้อภัยเขาไงถือว่าเขายังจิตใจยังยังฝ่ายต่ำอยู่จิตใจยังอยู่ในผิดศีลผิดธรรมอยู่ก็ไม่ทําให้เราต้องไปโกรธไปเกลียดเขาเราแผ่เมตตาด้วยการไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาการไม่โกรธไม่เกลียดนี่หมายถึงเราต้องคุยกับเขาหรือยิ้มเหรอคะถ้ายิ้มได้ก็ดีไม่ถ้เป็นเสียหายตรงไหนยิ้มนั้นมันดีกับหน้าเบื้องใส่กัน ก็ยิ้มก็ผผ่านไปเลยอ่ก็ยิ้มไปเพื่อเป็นการแสดงความเมตตาความความเป็นมิตรกับเขาข อ, อย่างน้อยเขาก็จะได้ไม่คิดว่าเราเป็นสัตว์ตัวกับเขาแล้วการที่มองมองคนลักษณะอย่างเงี้ยโดยคิดว่าเป็นเป็นหมาเป็นเป็นผีบ้าเลยเลยอย่างเงี้ยถือว่าผิดไหมคะเพราะามองลักษณะเป็นคนนี่แทบจะไม่ได้เลยอะคะ่ะคือมองไงก็ได้อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาก็แล้วกันมองด้วยความเมตตาหมาเรายังให้ความเมตตาได้ไม่เห็น หมาเรายังมีข้าวให้มันกินมีอะไรเราก็ยังช่วยมันไม่ใช่เลยเวลาเห็นเห็นหมาจรจัดบางทีเราก็ยังหาข้าวมาให้มันกินมันไม่มีมันไม่สบายก็หายางให้มันอะ่งนั้นมันไม่ไม่ว่าจะมองใครมันาต้องมีความเมตตาทั้งนั้นสัพสัตคนดีคนชั่วเราก็ต้องให้ความเมตตาต่อเขาคือเราไม่คิดร้ายกับเขาเราไม่ถือเขาว่าเป็นศัตรูของเรา ค, ครับพุยใกล้ๆปากเลยครับผมมีความสงสัยว่าม น, มนุษย์เนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณดิบนะครับแต่ว่าผมสงสัยว่าวิธีการปฏิบัติทางจิตของเราเนี่ยทาให้สัญชาตญาณดิบกับความจริงมันแยกกันไะครับสัญชาตญาณดิบมันก็เป็นกิเลสเนี่ยที่พาให้เรามาเกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณดิบของของจิตใจของโมเราทุกคน มื่มีความโลภโกรธหลงมันก็จะรักตัวกลัวตายแล้วมันจะทําอะไรก็จะทําเพื่อตัวมันเองแล้วถ้ามันไม่มีคนฉลาดมาสอนมันก็จะทําทุกวิถีทางทําบาปก็ทําไม่ทําบาปก็ทําแล้วแต่แต่ยังไงมันจะต้องถือว่าการดูแลรักษาตัวตนของมันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าเราได้มาพบกับนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องสอนว่าการรักตัวกลัวตายแบบทําบาปที่ไม่ถูก มันจะเป็นโทษกับเราเองมันจะทำให้เราทุกข์มากขึ้นทรมานมากขึ้นถ้าเรารักษาตัวเราด้วยการมีศีลมีธรรมแทนรักษาตัวเราด้วยศีลและธรรมแล้วตัวเราก็จะปลอดภัยการการแก้คือว่าการไม่เอาเอาไม่ามาพูดดีกว่าเอาไม่มาพูดถ้าจะพูดก็เอาไม่มาพูดการการให้ให้รู้ทางออกของจุดเดียวคือว่า เราก็ต้องศึกษาวิปัสนาไปก็ต้องฟังเทศฟังทํรรู้บุญรู้โทษรู้รู้รู้บุญ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รู้บาปบุญทำแต่บุญบาปไม่ทำแล้วมีอีกเรื่องคือว่าการ <c oughs> การวิปัสนาครับ เ, เหมือนวิธีคิดถ้าเกิดว่าเราถึงจุดของสมาธิในในความนิ่งคือการแช่ในความนิ่ ง, แ, ง, งแล้วก็ ถ้าเกิดวันนั้นเป็นวันที่ดีของเราอาจจะเกิดปัญญาขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าวิปัสนาหรือเปล่าครับปัญญามันไม่เกิดขึ้นเองอะเราต้องเราต้องสอนมันสอนให้เราอย่างมองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างไม่เที่ยงอก็ถ้าอย่างการ น, นั่งสมาธินั่นก็คือเป็นแค่เป็นเป็นทางผ่านไปสู่ปัญญานัเนี่ยเป็นการฝึกิซ้อมนักกีฬา เ, เป็นการสร้างกําลังให้เราไปคิดในทางที่ถูก ถ้าเราจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอเอาความกัลปาอย่าคุยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันรบกวนกนะันเสียงอืกลาบเรียนถามหลวงพ่อนะคะพอดีว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะหลวงพ่ออยากสอบถามในส่วนของเวลาที่เรานั่งไปแล้วเนี่ยเราบริกรรมพุทโธหรือบางครั้งเจริญดูลงมาอาณาปณะสติขณะที่ นั่งไปเนี่ยเกิดมืนกับเกิดความนิ่งขึ้นอยากสอบถามในเรื่องของลมอะค่ะหลวงพ่อลมที่อยู่ลมหายใจเรากับลมที่อยู่รอบรอบกายเราอะค่ะไม่ต้องสนใจลมที่อยู่รอบกายเราให้สนใจอยู่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าดูลมหายใจก็ดูดูมันเข้าดูมันออกเท่านั้นไม่ต้องไปไปทําอะไรไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้เฝ้าดูเฉย เพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดนั่นเองพอเราไม่คิดแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งแล้วก็จะสงบแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณลุ่งอรุณครับเคยนั่งสมาธิครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกตัวกับลมหายใจหายไปแต่รู้สึกตัวอยู่แล้วสักพักก็รีบถอยออกมาไม่ทราบว่าเป็นการนั่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะก็เวลานั่งมันก็ มันก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาจิตสงบความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายกับลมมันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะถอนออกมาแล้วก็กลับมารู้เรื่องร่างกายรู้เรื่องลมใหม่ใหม่ๆมันก็จะเข้าไปได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะถอยออกมาแต่ถ้าเรานั่งบ่อยๆนั่งนั้นต่อไปเราก็จะนั่งได้นานขึ้นจิตจะว่างจะสงบความรู้สึกว่าลมว่าร่างกายไม่มีมัน ร่างกายกับลมมันจะไม่มีในความรู้สึกแล้วใจก็จะมีความสุขอยู่กับความว่างนั้นคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเป็นคนไม่มีสมองนะครับคือกระผมอยากสอบถามพระอาจารย์ครับถ้าการบอกเลิกใครสักคนเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นจะถือว่าเป็นความผิดบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรามีพันธะกรณีอย่างไรมีสัญญาอะไรกันหรือเปล่า าสามารถบอกเลิกได้โดยไม่ผิดสัญญาก็ไม่เป็นการกระทําที่ผิดแต่อย่างใดแต่ถ้ามีพันธะกรณีกันมีการผูกมั่นมีสัญญากันก็ต้องให้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนว่าขอเลิกกันถ้าเขายินยอมเลิกก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราขอเลิกแล้วเขาไม่เลิกเขาไม่ยอมก็ก็ทํามันก็ยังผิดสัญญาอยู่ยงั้นก็อยู่ที่ว่าเรามีสัญญาต่อกันหรือเปล่า ถ้าไม่มีต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะเลิกกันได้ก็ไม่มีปัญหาอยากจะเลิกกันเมื่อไหร่ก็เลิม ก, กันไปแต่ถ้ามีสัญญาก็ต้องทำตามสัญญาถ้าไม่ทำตามสัญญาก็ถือว่าหลอกลวงกันไม่มีสัจจะคงถามต่อไปจากคุณกหนกรัฐครับในกรณีที่เราเจอคนที่ไม่ชอบเราแล้วเราอยากแผ่เมตตาให้ไม่มีเวรต่อกันนี้ ควรพูดออกเสียงหรือคิดในใจก็พอเจ้าคะก็คิดในใจก็ได้ถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดอะไรถ้าจะมีความจําเป็นต้องพูดก็พูดดีๆเช่นสามทักทายกันสบายดีเด้อมีอะไรไหมเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าอะไรทํานองเนี้ก็พูดให้มันดียิ้มให้กันถ้ายังยิ้มไม่ออกยังพูดไม่ออกก็ เฉยๆไปก่อนก็นแล้วกันไม่ได้แผ่เมตตาแต่ก็ไม่ได้ไปแผ่ความโกรธความเกลียดเรียกว่าแผอาแ่อุเบกขาแทนอุเบกขาก็ทำใจเฉยๆนิ่งๆไปไม่ตอบโต้ไม่อะไรทั้งนั้นคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณตาครับในสภาพการทำงานในชีวิตคารวาดที่มีความวุ่นวายในงานประจำในแต่ละวันถ้าไม่ได้ออกบวช จะสามารถบรรลุในระดับโสดาบันได้หรือไม่ครับและควรปฏิบัติอย่างไรครับคื อ, อบางคนถ้ามีบารมีเดิมมีมีบุญเก่ามากเนี่ยสามารถปล่อยวางร่างกายได้ก็บรรลุได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนถ้าปรงได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเจ็บก็ไม่เดือดร้อนกับมันมันตายก็ไม่เดือดร้อนกับมันอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันได คำถามต่อไปจากทาง youtube นะครับจากคุณลาวันครับหลวงปู่แหวนท่านสอนว่าดับรูปดับนามดับจิตหมายถึงอะไรคะก็ต้องถามท่านดูเลยมาถามน้องทำไมมึถามคนพูดสิคนเราไม่เคยพูดจะไปตอบแทนก็ได้ไงเพราะเราก็ไม่รู้ความหมายของท่านว่าท่านหมายความว่าอย่างไรคำถามต่อไปจาก Youtube นะครับจากคุณลาวัน อ, อีกคาถามหนึ่งนะครับ การที่สัมรวมกายวาจาใจอยู่จะเหมือนกับการรักษาสินไหมคะก็เหมือนไงเพราะการสัมรวมก็คือการควบคุมการกระทําทางพูดทางทางการกระทําและการคิดไม่ให้พูดไม่ให้คิดไม่ให้ทำในทางที่เสียหายคํถาถามต่อไปจากคุณแหวนนะครับถ้าโยมในฐานะลูกบอกให้พ่อแม่ทําบุญกับสงฆ์หรือวัดไม่ได้ เราให้ภรรยาหรือลูกของโยมบอกแทนได้ไหมคือถ้าเป็นผู้น้อยไปบอกผู้ใหญ่มไม่ถูกอคือไป น, นอกจากผู้ใหญ่ถามอก็ตอบได้แะที่จะไปเป็นแบบเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนคอยสั่งคอยสอนผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันมันไม่ไม่ควรเพราะผู้ใหญ่เขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเรานะเขารู้เรื่องการทําบุญมาก่อนเราถ้าเขาจะทำํทำก็ทํามาก่อนเราเกิดแล้ว ถ้ท่าเขาไม่ทำก็อย่าไปยุ่งเขาดีกว่า ค, คุณแหวนถามเพิ่มมานะครับถ้าบังคับให้พ่อแม่ทำบุญโดยไม่เต็มใจลูกจะได้บุญหรือบาป พ, พ่อแม่จะได้บุญบ้างหรือไม่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้บุญเนะพราะไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจบุญจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีความยินดีมีความอยากจะทำทำด้วยความยินดีแล้วก็จะเกิดความสุขใจ ถ้าทำด้วยความไม่ยินดีทำด้วยความฝืนใจมันไม่เกิดความสุขใจเมื่อไม่เกิดความสุขใจก็ไม่เกิดบุญขึ้นมาคาถามต่อไปจากคุณอ่องนะครับการเจริญปัญญาในช่วงการเดินจงกรมต้องปฏิบัติอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากการเจริญปัญญาในช่วงนั่งสมาธิหรือไม่ครับเหมือนกันอยู่ในท่าไหนก็เจริญปัญญาได้คิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ใช่ของเราม่ เช่นลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปโดยเฉพาะเวลาที่เรากําลังเสพมันอ่ะกําลังกินก๋วยเตี๋ยวก็บอกเนี่ยความสุกกินยากก๋วยเตี๋ยวนี่เดี๋ยวมันก็หมดแล้วนะพอกินอิ่มปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หายละความสุขที่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเดี๋ยวต่อไปอยากจะกินไม่มีกินจะทุกข์นะอยากกินด้วยความอยากดีกว่า อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาสอนใจอย่าให้ทําอะไรตามความอยากเพราะทําทตามความอยากแล้วมันจะติดแล้วมันจะต้องเจอวันที่ทําอยากจะทําแล้วไม่ได้ทําแล้วมันจะทุกข์ตามมาคําถามต่อไปจากคุณยายครับการบวชเนกขมมะ ก, กับการถืออุโบสถแตกต่างกันอย่างไรคะได้บุญเหมือนกันไหมคะเหมือนกันก็ถือศีลแปดเหมือนกัน เพียงแต่ว่าคนที่ถืออุโบสถสินเข้าไปพักอยู่ที่ในโบสถ์วัดนี้วัดวัดชาวบ้านทั่วไปนี่เขาจะไม่มีที่พักปฏิบัติทําให้กับญาติโยมญาติโยมที่อยากจะปฏิบัติธรรมก็เลยไปปฏิบัติในโบสถ์กันเช่นวัดวรมหารามนี่ไม่มีที่ปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมใครอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์ฟังเทศในโบสถ์นอนในโบสถ์ <laughs> <laughs> เขาก็เลยเรียกว่าอุโบสดคาว่าโบสถ์ก็คืออุโบสถเนีย ถือศีลในอุโบสถก็เลยเรียกว่าอุโบสถศีลก็คือศีลแปดเนี่ยก็คือเนขา ม, มะนี่เองเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณนารยาครับอยากทราบความหมายของคำว่าทุกอย่างละเอียดลบกวนพระอาจา ร, รย์อธิบายให้กระจ่างใจด้วยค่ะคุณเอาหัวมาให้เราตีหัวดูสิแล้วหรือว่าคุณเอาแฟนให้เรามาขโมยแฟนของคุณไปดูย่ยแล้วดูิมันจะทุกข์ไม่ทุกข์ ของนี้มันอธิบายไม่ได้หรอกมันต้องเกิดขึ้นมันถึงจะรู้เวลาคุณสูญเสียสิ่งที่คุณรักมันแล้วดูซิว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์กันอธิบายไม่ได้มันคุณต้องลองไปพิสูจน์ดูต้องเจอของจริงถึงจะรู้เราให้แฟนทิ้งคุณดูสักวันหนึ่งดูแล้าดูซิว่าคุณจะสุขหรือจะทุกข์กันเนี่ยคนบางคนแฟนตายไปเนี่ยสามเดือนยังไม่หายทุกข์เลยนั่นแหละ มันต้องสันติโกมันต้องเกิดเหตุการ์ขึ้นมาถึงจะรู้จะมาอธิบายให้ฟังมันยากเหมือนกับบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไรบอกไปยังไงมันก็ไม่รู้หรอกว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไรต้องลืมตาต้องเปิดตาดูพอเปิดตาดูแล้วไม่ต้องอธิบายรู้เองออกสีเขียวเป็นอย่างนี้สีแดงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการความทุกข์นี่ ถ้าคุณตั้งแต่เกิดมาคุณยังไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงคุณก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคะไม่เคยเจอความทุกข์บ้างเลยเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัด น, นี้คำถามต่อไปจากคุณน้ำพึ่งครับเมื่อสองปีที่แล้วลูกไปปฏิบัติธรรมที่ซ้าสระแก้วคืนเดียวลูกก็ได้ถ่ายรูปสถานที่มาด้วยแต่มีภาพหนึ่งผิดปกติเป็นภาพเบลอ เ, เมื่อเอามาขยายดูจึงรู้ว่าเป็นรูปงูเป็นแสงตัวยาวๆ มีหงอนดำด้วยค่ะมีเยอะมากเต็มเลยค่ะลูกอยากถามว่าทำไมลูกถึงถ่ายติดรูปพญานาคมาคะเป็นเพราะเหตุใดคะเพราะมีคนเดียวที่ถ่ายติดคนไปที่แห่งนั้นเป็นร้อยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอนะติดก็ติดมันก็ไม่มีมันมันก็ไม่มีไม่มีอะไรเป็นพิเศษอะไรติดก็ติดมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้พิเศษขึ้นมาจากการถ่ายรูปเหล่านั้นนะ ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวของคุณเองยันอย่าไปให้ความสําคัญกับมันให้เพียงแต่รับรู้ไว้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ปรากฏการที่มันแปลกขึ้นมาอย่างหนึ่งสําหรับตัวคุณเองก็เท่านั้นเองคํถาถามต่อไปจากคุณต้อมครับโยมอยากเรียนถามถึงตัวเราเองไม่มีโอกาสมีบุตรแล้วนี่เป็นเพราะเหตุปัจจัยในอดีตชาติใช่หรือเปล่าคะ รบกวนพระ อ, อาจารย์ช่วยแนะนําวิธีคิดให้เราไม่จิตตกคิดแต่เรื่องนี้มันก็ความจริงมันเป็นเห็นในปัจจุบันไม่ใช่เลยไปทําอะไรทําให้เกิดร่างกายมันเสียหายมันก็ไม่สามารถผลิตลูกได้มันก็เกิดจากการกระทําของเรานี่แหละการกระทําก็กรรมคําว่าการกระท ำ, ำ, ค, ำ, รระทำคำว่ากรรมก็คือการกระทําการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรม มันก็ต้องเป็นอดีตเพราะมันทํามาแล้วมันถึงมันถึงเป็นอดีตเช่นไปทําอะไรไปทำํำไปทําหมันอย่างงี้อ้าไปทําหมันมันก็ก็ทําให้ไม่มีลูกแล้ว่ยการกระทาหมันก็เรียกว่ากรรมในอดีตนะอดีตก็คือเมื่อวานนี้ก็ได้<ม>เดือนที่แล้วก็ได้<ม>ฉั้นจะเรียกว่าเป็นกรรมในอดีตก็ได้บางทีกรรมในอดีตที่เรารู้ในในอดีตที่เราไม่รู้เท่านั้นเองถ้าเราไปทําหมันเราก็รู้ว่าออด เดี๋ยนี้เรามีลูกไม่ได้แล้วก็เพราะว่าเราไปทำเหมือนอันนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่มีลูกโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรหาสาเหตุไม่ได้เราจะไปบอกว่าเป็นกรรมในอดีตก็ได้แต่เราจะร่วมเป็นกรรมในอดีตอย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไมไม่รู้ไปทำอะไรมาจึงทำให้เราไม่มีลูกในในปัจจุบันนี้คำถามต่อไปจากคุณนาราครับจิตมีสติ จิตขาดสติขาดปัญญาคืออะไรครับถ้ามีสติใจจิตก็จะไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆเช่นเวลาเดินก็จะอยู่กับการเดินถ้าไม่มีสติมันก็จะไปอยู่กับความคิดแล้วก็เดินไปสะดุดไปเตะหินไปลื่นไปล้มนี่เรียกว่าไม่มีสติส่วนปัญญาก็เคยก็การแยกแยะสิ่งต่างๆที่เห็นที่ได้ยินว่าดีแล้วไม่ดีเป็นคุณแล้อเป็นโทษเรียกว่าปัญญา เช่นเดินไปข้างหน้าเห็นงูอย่างี้ก็จะได้ใช้ปัญญาว่าเอองูนี่เป็นพิษอันตรายอย่าเดินเข้าใกล้อย่างนี้เรามีปัญญาถ้าเป็นเด็กเด็กอาจจะไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีพิษก็อาจจะเดินเข้าหางูก็ได้นี่คือการไม่มีปัญญาคำถามต่อไปจากคุณนาราครับอีกคาถามหนึ่งครับคำว่าโคสะบุรุษคือพวกไหนครับโคสะโมหโคสะมีเลือเหรอ โกศเลยไม่รู้เหมือนกันก็ลองเปิด Google ดูเลยโมคะหรือเปล่ามีโมฆะบุรุษเนี่ยโมฆะก็ค <k ook S 2> ือศูนย์เป็นแต่นี่เกิดเป็นตัวคอคยได้คอยได้ยินแต่คำว่าโมคะโมฆะบุรุษก็คนที่เกิดมาแล้วไม่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเกิดก็เรียกว่าโมฆะบุรุษเนี่ยคนที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าโมฆะบุรุษ เหมืนอนคนที่ถูกรัตตารี่รางวัลที่หนึ่งแล้วไม่ไปขึ้นรางวัลเนี่ยก็เป็นโมคาบุรุษใช่ไหมถูกรัตตารี่รางวัลที่หนึ่งแล้วไม่ไปขึ้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับการถูกรัตตารี่รางวัลที่หนึ่งก็ศูนย์เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยโมคาคําว่าโมคาก็คือศูนย์ไม่ได้อะไรคําถามต่อไปจากทาง youtube นะครับอ่าจากคุณกันนะครับคือถามแทนเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาเดินจงกรมแล้วมองไปข้างหน้า เห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินได้โยมอยากทราบว่าคืออะไรคะก็คือใจเขาคิดไปแล้วมันก็เราก็มีโครงกระดูดแเราไม่เใช่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องตื่นเต้นอะไรมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างเป็นแต่เราไม่คิดถึงมันเราก็เลยมองไม่เห็นมันถ้าเราคิดบ่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นโครงกระดูกของคนทุกคนเห็นใครเดินมาก็เห็นโครงกระดูกเขาก่อนลนะ แทนที่จะเห็นหน้าเขาเห็นโครงกระดูกเขาก่อนนะเพราะเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การฝึกเราฝึกให้เรามองส่วนไหนของร่างกายส่วนใหญ่เราถูกฝึกให้มองแต่หน้าตาใช่ไหมมองแต่หน้าตามองแต่รูปร่างอ้วนหรือผอมสูงหรือต่ำสูงหรือเตีย้ยมองแต่ผิวขาวหรือดําหน้าตาแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็จะถูกมองถูกสอนให้มองแบบนี้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมาสอนวิธีดูใหม่ หรือว่าเป็นศพเดินได้นีเราลองเป็นศพเดินมายังหายใจได้อยู่มีโครงกระดูกเดินมา ก, ก็ถ้าเราฝึกสอนให้มันมองอย่นี้ต่อไปมันก็จะเห็นอย่างนั้นคํำถา ม, ถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์นะครับจากคุณไก่ครับเมื่อก่อนหนูชอบนั่งสมาธิค่ะมีวันหนึ่งอยากนั่งสมาธิมากมากเลยพอนั่งไปสักพักเห็นแสงสีขาวพุ่งเข้ามาหาตัวหนูเลยตกใจกลัวมากค่ะ สิ่งที่หนูเห็นมันคืออะไรคะขอบคุณค่ ะ, ะก็หนูบอกเป็นแสงว่าหนูอย่ามาถามเราทำไมนี่นั่งสมาธิแบบนี้ไม่ถูกเพราะนั่งแบบไม่มีอะไรกากับใจเนี่ยบอกเวลานั่งสมาธิไม่เคยบอกว่านั่งยังไงเลยนั่งพบเห็นหนู่นเห็นนี่เลยนี่แสดงว่านั่งแบบไม่มีพุโทโธนั่งแบบไม่มีสตินั่งแบบไม่มีลมหายใจไม่ดูลมหายใจไม่บริกรรมพุโทโธ มันก็จะเห็นบ้าเห็นบอต่างๆแล้วก็มาถามว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้านั่งแล้วมีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็จะไม่เห็นอะไรหรือถ้ามันเห็นมันก็ไม่สนใจมันก็อยู่กับพุโทโธไปแล้วจนกว่าจิตสงบมันก็จะว่างมันก็จะเห็นความว่างเห็นความสุขอนนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุบเบกขาเข้าสู่ความสุข จะเข้าได้ต้องมีสติกำกับใจมีพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆรล้ดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอะไรมาให้เห็นก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มันอย่าไปเสียสมาธิอย่าไปเสียสติกับการไปตามรู้ให้รักษาสติต่อไปให้พุทโธต่อไปให้ดูลมต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบที่เป็นเป้าหมายของการนั่งสมาธิ เรานั่งสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาเพราะอุเบกขานี่มันเป็นความสุขมันเป็นความสบายใจจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆต่อไปเวลาเจออะไรก็จะเฉยได้ไม่เดือดร้อนอันนี้ยังไม่ทันนั่งปุ๊บเดียวเห็นนู่นเห็นนี่เดือดร้อนแนละ้วต้องส่งข้อความมาถามวนะ่าเป็นอะไรแล้วนะไม่ได้นั่งสมาธินั่งเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใจ คำถามต่อไปจากคุณนักพักครับการสวดมนต์เราต้องสวดบทไหนเจ้าคะบทที่เราสวดได้นี่เราสวดบทไหนก็สวดไปการสวดก็เพื่อการหยุดความคิดของเราถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวเราก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเราสวดมนต์ไปความคิดต่างๆก็จะคิดไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณเต้ครับถ้าเรากําหนดสวดพุทธคุณ รำมคุณสังขัดสังขะคัตถาจะได้บุญเหมือนสวดในห้องพระใหม่เจ้าคะ่ะสวดที่ไหนก็อยู่ที่ที่อยู่ที่ว่าใจสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ได้บุญถ้าสวดแล้วไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญสวดไปยังฟุง้งยังฟุ้งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ไม่ได้บุญถ้าถ้าสวดแล้วเรื่องราวต่างๆหายไปจากใจเหลือแต่ความว่างความเย็น ความสุขเนี่ย น, ะนั่นะก็เรียกว่าเป็นบุญทาทํามต่อไปจาก Facebook Live นะครับจากคุณวัสนาครับการแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญถ้าเราอยู่วัดรักษาสิงแปดปฏิบัติธรรมอยู่เราทำได้ไหมคะแล้วเขาจะรับได้ไหมคะออบุญกับเมตตานี่คนละอย่างกันนะบุญนี่ต้องต้องทำบุญก่อนถึงจะแผ่ถึงจะอุทิศบุญได้ บุญที่เราทำก็คือเช่นถวายสังฆทานใส่บาตรทำาลองนี้คือทำบุญที่เกิดจากการทำทานนี้อุทิศได้แต่บุญอย่างอื่นนี้ไม่มีการพูดถึงว่าอุทิศได้หรือไม่ได้เขาจะนิยมอุทิศบุญด้วยการทำทานกันส่วนการแผ่เมตตานี่ก็ต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันเจอกันก็อย่าด่ากันอย่าว่ากันเจอแล้วก็ทักทายกันสามส สาวาทุกสุขดิบกันสบายดีหรืออะไรทรําลองนี้ยิ้มให้ต่อกันเรียกว่าแผ่เมตตาหรือมีขนมนมเนยก็เอาแบ่งกันกินไหมอร่อยนะอย่างนี้นี่เราแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดไปคนเดียว ส, สัเพสตาเวลาหนตัวคำถามต่อไปจากคุณชูตมบนครับคนที่เอาสัตว์มาเลี้ยงเช่นสุนัขแมวแต่กลับเลี้ยงแบบทารุณ เช่นทุกตีกักขังให้อยู่แบบอดๆจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะก็ไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้แล้บุญที่เกิดจากการมีความเมตตาก็จะได้รับบุญจากการได้รับโทษจากการไปทําให้เขาทุกข์ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราต่อไปชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นหมาก็จะเจอรูปแบบเดียวกันจะไปเจอคนที่ก็เอาเราไปเลี้ยงแล้วก็ไปกักไปขังเอาไปทุกไปตีทําอะไรไว้อย่างไรมันก็จะกลับมาหาเราอย่างนั้น ถ้าเราเลี้ยงมันอย่างดีต่อไปชาติหน้าเราไปเป็นหมาก็จะไปเจอเศรษฐีเอาไปเลี้ยงอย่างดีคำ <laughs> ถ, ถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณก๊อฟนะครับถือสินแปดอาบน้ำใช้สบู่ได้ไหมครับสบู่มันจะเป็นเครื่องหอมคือถ้ามันมันมันสบู่ที่ไม่มีกลิ่นก็ได้ ก, ไดก็ดีแต่สมัยนี้มันหายาก ถ้าอยากจะแข่งก็อย่าไปใช้สบู่ใช้น้ํำเปล่าๆก็ได้น้ําปล่ามันก็ทําความสะอาดได้สมัยเกาะโบราณเขาก็ไม่มีสบู่กันสมัยพระพุทธเจ้าเขาอาบน้ำเหนีหมเขาใช้สบู่กันนะัถ้าอยากจะแข่งกับการรักษาสิญปาก็ไม่ต้องใช้สบู่กันถ้ามันมีกลิ่นหอมสมัยพระสมัยก่อนเราอยู่วันตานี่เขาใช้สบู่สันไลอน์มันไม่มีกลิ่นไงสบู่สันไลนี่มันไม่มีกลิ่น แต่สมัยนี้ไม่ไมรู้มันมีขายหรือเปล่าสบู่สันไล่นี่ยังยังมีอยู่เลยแอ่ญาติโยม ก, ก็มักจะซื้อถวายพวกก็ไม่มีมีสบู่ที่ไม่ค่อยมีกลิ่นเนี่ยสบู่ที่ใช้กับเด็กเนี่ยอที่เห็นมาถวายให้พระใช้พวกเบบี้จอนสันอะไรเงี้ยมันเป็นสบู่ที่ไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นน้อยกลิ่นเบาถ้ายังถ้ายังเข่งมากถ้ายังนมกลิ่นได้ก็อย่าไปใช้มัน ใช้น้ำเปล่าๆนี่แหละอาบน้ำเปล่าไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณชองครับพอดีเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดอยากไปกราบพระอาจารย์จึงคิดอยากไปบวชเนคขมะที่วัดยานหนึ่งสัปดาห์รบกวนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะอย้แนะนําอะไร <laughs> ก็แนะนํามาตั้ง ต, ตั้งแตช่ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็ทําตามที่เราแนะนําเนี่ยนะที่ ฟังทฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณนัพลครับพุโทโธกาลังน้อยหมายถึงใจยังไม่เชื่อในพุโทโธร100้0ยเซใช่ไหมครับและถ้าคนที่เชื่อในพุโทโธแต่ให้พุโทโธก็ยังไม่เอาหนึ่งรเอร์เซทำพุโทโธได้แค่หนึ่งอร์ซ์แสดงว่าไม่ได้สนใจในพุโทโธจริงแล้วการที่เชื่อในกาลังพุโทโธเช่นอย่างหลังเหมือนกับการ เหมือนเหมือนกับไม่เชื่อถูกต้องไหมครับเชื่อไม่เชื่อมันไม่สําคัญอ่ะอยู่ที่ทําหรือไม่ทําเชื่อแล้วไม่ทําก็เหมือนกับไม่เชื่อทําแต่ไม่เชื่อก็ดีกว่าไม่เชื่อพุทโธแต่พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยไม่หยุดพุทโธอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเพราะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเชื่อพุทโธไม่เรื่องเชื่อเชื่อพุทโธอยู่ที่ว่าจะใช้พุทโธหรือไม่ใช้พุทโธเหมือนมีดเน่ยเราจะเชื่อมันหรือไม่เชื่อมันก็อีกเรื่องหนึ่ง มีถ้าเราเอามาใช้มันมันก็เกิดประโยชน์ได้เอามาตัดไม้ตัดเก่งไม้ตัดอะไรต่างๆมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้าวางไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรังนั้นพุทธโธนี้ต้องเอามาใช้ไม่ใช่เอามาเชื่อให้พุทธโธพุทธโธเพื่อที่จะหยุดความคิดต่างๆคําถามต่อไปจากคุณนิ่มครับหนูขออนุญาตถามเวลานั่งสมาธิไปพักหนึ่งแล้วเหมือนเกิดอาการหลงลืมไปว่าเราอยู่ที่ไหน เหมือนไม่รู้ตัวว่านั่งอยู่ตรงนี้ต้องทํำยังไงคะให้นั่งต่อหรือเรียกสติกลับมาก่อนค่อยเริ่มกําหนดใหม่ค่ะคือตอนที่เรานั่งนี่ถ้าใจมันว่างมันก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรขอให้เรารู้ว่าเรามีสติรู้อยู่ว่าเรากําลังรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนก็แสดงว่าเราไม่หลงก็รู้ว่าเราอยู่กับความว่างเราอยู่ในที่ที่มันไม่มีไม่มีอะไร การนั่งสมาธิก็เพื่อดึงใจให้เข้าสู่ความว่างคำถามต่อไปจากคุณเจครับตอนเรานั่งสมาธิเรามีความคิดและมีความรู้อยู่เราควรจะอยู่ตรงที่รู้อยู่ใช่หรือใช่หรือเปล่าครับเราก็ต้องอยู่ที่รู้แล้วก็อย่าให้มันคิดถ้ามันยังคิดอยู่เราก็ยังต้องพุโทโธต่อไปต้องบริกรรมต่อไปหรือดูลมต่อไปถ้าเราไม่บริกรรมไม่พุโทโธความคิดมันก็จะไม่หยุด แลล้้วมมันก็จะไได่ดผคำถามต่อไปจากคุณพรพรมครับการที่เราจะทำให้หลุดพ้นจากทุกควรทำอย่างไรก็เนี่ยวันนี้เทศน์มาทั้งทั้งงหมดนี่ก็วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นขอให้กลับไปฟังตั้งแต่เริ่มต้นได้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเก็บไว้ดูย้อนหลังได้อ้าหลวงพ่อเจ้าขา หนูเอ่อมาทําบุญที่วัดแล้วก็ชอบเอาเครื่องหอมเป็นสบูห่หอมหอมมาถวายพระเป็นประจักษ่าเจ้าค่ะอย่างนี้หนูก็สร้างกิเลสให้พระใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ได้สร้างหรอกก็อยู่ที่พระถ้าเขาเขาจะมีกิเลสและไม่มีกิเลสแล้วอย่างนี้ต่อไปหนูจะ ถ, ถวายสบู่ก็ต้องเลือกที่หอมอ่อนที่สุดใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าพยายามค่ะแสดงว่าหนูหเข้าใจผิดมาตลอดเลยอ่อยาก <laughs> ให้พระหอมหอมใช่ <laughs> คือไม่ใช่ค่ะหนูคิดว่านําสิ่งที่ดีที่สุดเป็นควคิดของเราแต่ว่ามันเป็นของหอมใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวกลัวผ้าจะติดของหอมเดี๋ยวจะไปติดกลิ่นหอมของผู้หญิงเขา้าต่อต่อไปนี้ถ้าเกิดหนูจะถวายสบูอ่อาบน้ําก็ให้เป็นอ่อนที่สุดใช่ไหมเจ้าค่ะที่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะสาธุาค่ะหนูจะได้เข้าใจตั้งแต่วันนี้เลยเจ้ค่ะาคะถาถามต่อไปจากเฟซบุ๊กนะครับจากคุณฟันตาครับตอนนี้พ่อป่วยหนัก ตนเองไม่อยากให้พ่อได้ฟังทำตนเองอยากให้พ่อได้ฟังธรรมะเพื่อจะได้บรรเทาแต่พ่อไม่เอาเลยจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของพ่อใจใครใจมันจะมาบังคับกันทำไมไปบังคับหลือไปทำอะไรแทนที่จะทำ ใ, ให้เขามีความสุขกับทำให้เขาทุกข์มากขึ้นเพราะเขาต้องทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำนั้นปล่อยเขาไปตามอธัธยาศัยของเขาเถิด คำถามต่อไปจากคุณพรานครับพระเคารพหรือศีได้ไหมครับเห็นในรูปภาพบางรูปที่พระเคารพหรือศีหรือท่านมีเหตุผลของท่านครับก็โดยปกติแล้วถ้าโดยภาพรวมนี้พระจะถือว่าเป็นผู้มีศีนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้บวชพระหรือศีนนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีศีนมากน้อยเพียงไรแต่ถ้าเราจะ ให้ความเคารพกันในลักษณะแบบเป็นเป็นเหมือนกับญาติโยมพบปะกันก็ยกมือไหว้ให้ต่อกันนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนเป็นการแผ่เมตตาแต่ไม่ได้เคารพเพราะถือว่าเขาสูงกว่าเราหรือเขาเป็นอาจารย์ของเราเพราะว่าถ้ามาบวชพระแล้วเราจะถือพระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสงสาวกเป็นอาจารย์ของเราเท่านั้นผู้อื่นเราจะไม่ถือเป็นอาจารย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอัธยาศัยไมตรีถ้าเจอผู้ผู้นําของศาสนาอื่นอย่างเงี้ยถ้าเจอกันก็ยกมือไหว้ให้กันได้ใช่ไหมเป็นการเป็นการแสดงความเป็นมิตรต่อกันอันนี้มันก็ทําได้ในลักษณะนั้นแต่ถ้าไปกล่าวเพราะว่าเชื่อเขาว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็เสด็จไปไ ป, ไปเป็นไปบวชอยู่กับฤาษีแทน พราถ้ามาบวชเป็นพระแล้วเราจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจะไม่ถือผู้อื่นเป็นที่พึ่งถ้าไปถือผู้อื่นเป็นที่พึ่งเป็นอาจารย์ก็ไปบวชอยู่กับเขาลาสิกขาออกจากการเป็นพระไปจะดีกว่าคําถามต่อไปจะคุณพูนสุขครับเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจสักพักแล้วลมหายใจจะแผ่ว เ, เบาจนไม่รู้สึกเรามาดูร่างกายหายใจจากการกระเพื่อมของหน้าอกได้ไหมเจ้าครับ ได้คำถามต่อไปจากคุณฟูครับทําไมเวลาภาวนาไปสักพักแล้วพุทโธหายไปแล้วตาแล้วตาในไปที่ไปเพ่งที่จิตอย่างนี้ปกปกติหรือเปล่าครับแล้วตาในไปเพ่งที่จิตก็ตาในก็จิตนั่นแหละจิตเพ่งจิตเนี่ยก็มัน มันไม่ควระควรจะอยู่แต่พุโทโธไปจนกว่าจิตมันจะตกลุมตกบ่อไปแล้วมันก็เหลือแต่ตาในอย่างเดียวหรือแต่ตัวรู้อย่างเดียวถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ควรที่จะพุโทโธพุโทโธต่อไปจะดีกว่าเพราะว่าถ้าหยุดพุดโทโธแล้วเดี๋ยวไปดูอะไรมันกาดจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็เกิดความถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรขึ้นมาอีกนการจริงมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาให้เราดูนั่นเอง เอาอีกสองคำถามครับค ำ, คำถามต่อไปจากคุณอ่องครับจะปฏิบัติกับเพื่อนต่างศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมอย่างไรเพราะต้องทำงานอยู่ร่วมกันครับก็สงวนส่วนต่างปรสานส่วนเหมือนเรื่องที่มองไม่ตรงกันก็อย่าเอามาพูดกันพูดแต่เรื่องที่ตรงกันใช้ที่คุยกันได้เรื่องที่คุยกันไม่ได้ก็อย่าเอามาคุยกันคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณเมธครับ อารมณ์อัปปนาสมาธิของอาณาปานาสติและกะสิณต่างกันหรือเหมือนกันครับเวลาเข้าถึงฌานสี่ครับเหมือนกันก็จะได้อุเบกขาเหมือนกันอได้สักแต่ว่าได้ได้จิตเป็นหนึ่งเลียกเอกค ะ, ะตารมณ์เหมือนกันอบอนั้นนะสำหรัวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา